อรุณสวัสดี์ค่ะท่านผู้ฟังคะรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะพอเปิดสถานีตอนตีห้าถึงตีห้าครึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็จะนํานเสนอรายการธรรมารับอรุณนะคะก็ชื่อของรายการก็คงจะเป็นที่ชัดแจ้งแล้วว่าเราอยากจะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆ ท, ท่านนะคะได้รับอรุณหรือว่ารับวันใหม่ด้วยสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นมงคล แล้วก็สามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของเราได้เป็นอย่างดีนะคะเช้าวันนี้ก็ดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมาสาักษาหรือสนทนาธรรมะกับท่านพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนพระอาจารย์องค์ป่าถกประจํารายการธรรมารับอรุณของเรานะคะท่านเป็นลูกศิษย์เอกของพี่เดชพระคุลหลวงพ่อดออรสะอาดธิโตโทภาโสท่านหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศก ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีค่ะสําหรับพระอาจาร ย, ย์ไพบุญอภิปุโนนั้นท่านก็เป็นท่านบุญนวยการของหลักสูตรการริเคราะห์ปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธวจนะของวัดป่าดอนหายโศกนะคะซึ่งจากการฟังรายการเมื่อเช้าเมื่อวานนี้คงจะทําให้ทุกผู้ฟังทราบว่าทางวัดป่าดอนหายโศกนั้นได้มีการจัดคอร์สหรือว่าจัดฝึกหลักสูตรอบรมการเป็นประจําทุกเดือน แต่ว่าเมื่อเข้ามาสู่ช่วงของการปิดเทอมก็จะมีการจัดกันถึงสมครั้งในเวลามีนาเมษานี้นะคะหรือว่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นได้มีโอกาสที่จะนำน้องๆมาร่วมในการปฏิบัติธรรมมากขึ้นขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบุญอภิบุโนแล้วก็รับทราบกันถึงการปฏิบัติบูชากันเลยนะคะว่าเมื่อน้องๆทั้งหลายตัดสินใจที่จะไปปฏิบัติธรรม อย่างแท้จริงในปีนี้ตั้งใจกันจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีการเตรียมตัวเตรียมใจที่จะปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องถูกทางอย่างไรบ้างก็กราบนมัสการพระอาจารย์ไพบุตอภิพุโนเจ้าค่ะเบิญบานได้เมตตาสาธ迦เลยนะเจ้าคะว่าทางที่ถูกที่ควรของการปฏิบัติบูชาที่ อ, องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็น การบูชาสูงสุดนั้นเนี่ยทำอย่างไรเจ้าค่ะจึงจะถูกต้องตามหลักพระพทษษ<อ>ุทธศาสนาเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะก็เมื่อวานนี้เราได้พูดถึงว่าเหตุทําไมถึงต้องทำ<ช>ํำแล้วก็ม <ๆ S 2> ไม่ทําแล้วจะมีโทษอย่างไร<ช>แล้วทำแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ไปแล้วทีนี้พอจะมาเจาะลึกลงในรายละเอียดว่ า, าที่ทำทำทำเนี่ยทำอย่างไรมาแล้วก็ได้พูดถึงเมื่อวานนิดนึงว่าเอ๊ที่เขามีทํำทำกันเนี่ยมีทําอะไรบ้างคร่าวๆ สมาทก็จะพูดถึงตรงนี้นิดหนึ่งคือเรื่องของศีลเราพูดถึงเรื่องของศีลเรื่องของการปฏิบัติจริงๆแล้วมันก็มีแค่ศีลสมาธิปัญญาเแต่ถ้าจะพูดอแบ่งให้มันถูกต้องตามพุทธวจนะก็มีแค่ศีลสมาธิปัญญาแล้วในเรื่องของศีลนะก็คือที่วัดป่าตอนไหนโสเป็นต้นนี้ก็จะให้มีศีลแปดศีลแปดของเราในข้อที่จะมีความแตกต่างกับคนอื่นอยู่บ้างแตนะ่แต่ก็เป็นหลักพุทธวจนะนะก็คือศีลข้อที่ข้อที่หก เดีที่ผูช้ชมบอกว่าวิกาลาโภชนาเนี่ยซึ่งที่วัดป่าดอนไหโซกจริงๆแล้วเราให้ฉันมือเดียวมือเดียวเนี่ยหมายถึงว่าพอลุกขึ้นอีกแล้วก็ไม่ฉันอีกในวันนั้นแต่ว่าเราก็จะมีพวกอาหารบ้างอะไรต่างๆให้บ้างสำหรับคนที่ยังทําไม่ได้ในเวลากลางวันสิบเอ็ดโมงซึ่งโดยปกติทั่วๆไปเขาก็จะฉันกันถึงสิบสองนาฬิกสิบสองโมงนี่ยังใช่ไหมแต่ที่ว่าเราก็จะมีครั้งเดียวส่วนอาหารบ้านี่ก็ช่วงก่อนเที่ยงนิดนึง แล้วแต่คนด้วยทีนี้อพอเพิ่งพูดถึงเรื่องของศีลเนี่ยก็คิดว่าทุกคนคงจะเข้าใจกันอยู่มีประเด็นหนึ่งที่อาจจะสงสัยกันอยู่บ้างซึ่งได้รับถามหลายๆครั้งด้วยนั่นคือเรื่องของการใช้พวกเครื่องประทินผิวเจ้าค่ ะ, ะเครื่องประทินผิวอย่างเช่นแป้งบ้างน ะ, ะถ้าผู้ชายก็จะเป็นในน้ํายาที่ทาหลังโกนหนวดบ้างอย่างนี้นะบางคนจะพูดถึงสบู่หรือว่าพวกโรออนที่มันมีกลิ่นหอ ม, มยอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะ ซึ่งก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนตรงนี้ไปเลยว่าศีลในข้อที่ห้ามการแต่งตัวเนี่ยคือพุะรูชาาห้ามการใช้เครื่องประทินผิวนะของหอมเครื่องรูปไร้รูปทานะที่ใช้ในฐานะแห่งการแต่งตัวใช้ในฐานะแห่งการแต่งตัวเช่นบางคนเอาอะไรมาเขียนตาเขียนอะไรให้มันงดงามขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราตาเราเป็นแผลนะคุณต้อเอาอะไรมาทาอันนี้เป็นธรรมดาดปากแตกคุณต้องทาลิปมันอย่างนี้ อันนี้ไม่ได้อยู่ในฐานะแห่งการแต่งตัวอันนี้ใช้ได้เป็นการรักษานะใช่เป็นการรักษาโรคอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาบางคนอากาศหนาวมากอย่างเงี้ยผิวมันแตกมันเริ่มจะแตกแล้วเอากครีมมาทาเอาวัสลีนเอาอะไรมาทาอันนี้ก็ทําได้แต่ถ้าปกติเราก็ไม่ได้ทำํำเพราะอะไรที่มันจะเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวอย่างเช่นผู้หญิงบางคนคุณใจตบินมาใส่ปุ๊แบบ ขอขอโทษนะจะพูดเรื่องปรดนนี้อาจจะอาจจะอาจจะ บ, บางคนเทนั้นเองที่ <c oughs> ตื่นมา ป, ป, ปาุ๊บอาบน้ำเสร็จอะไรนี้มางคนสองชั่วโมงอะคุณเตืนใจแล <c oughs> นะ้วทั้งแต่งตัวอาบนะ้ำแต่งหน้ากว่าจะแต่งผมอีกนะมุงคนโอ้โหสองชั่วโมงบางคนตั้งต่ตั้งแต่ตีสี่เพื่อที่จะเตรียมออกจากบ้านตอนหกโมงเช้าอย่าซึ่ ง, ซ, งซึ่งอันนี้ก็จะมากไปสําหรับผ <c oughs> ู้ที่จะไปวัด <c oughs> แต่เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปวัดเนี่ยไม่เไม่มีพวกนี้หละ สาหรับศีลแปดเนี่ยก็คือตื่นเช้ามาล้างหน้าแล้วก็เรียบร้อยเลยะไปได้ทันทีไม่ต้องไม่ต้องใช้เวลาสองชั่วโมงอันนี้ไม่พอยี่สิบนาทีด้วยซ้ำแต่ถ้าเราจะล้างหน้าเฉยๆแล้วก็มันก็จะง่ายอะจะเป็นการปฏิบัติที่สะดวกเราไม่มีภาระอะไรมากนะคนที่ปฏิบัติตามศีลเนี่ยเขาจะหวังผลข้อ น, นี้ได้คือจิตเขาจะไม่ร้อนใจจะไม่มีความร้อนใจคือคนที่จะต้องแต่งตัวมากเนี่ยอย่างเช่นสมมติวันนี้ฉันต้องไปออกงานอย่างเงี้ยนะ ต้องออกตั้งแต่เช้าเลยนะต้องมีการเตรียมการแล้วฉันต้องตื่นกี่โมงเตรียมทําะไรนี่แต่มันจะแบบจิตใจมันจะวุ่นวายน ะ, ะแต่ถ้าเรามีศีลในลักษณะที่เป็นศีลแต่อย่างเนี้ยคไม่ได้สบายใจมากสบายใจจริงๆอย่างตัวธรมาเองอะพระสงฆ์ตืน่นเช้ามาเราเอ้ยวันนี้จะแสกข้างไหนดีไม่ไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยเรื่องผมใชม่ใช่จะแสกซ้ายจะแสกขวาหรือแสกกลางจบเลยหัวล้าไม่หัวล้านไม่มีปัญหาคนทุกเดือนมันก็สบายใจ ไม่มีความร้อนใจในเรื่องนี้เลยเจ้าค่ะก็เรียกว่าไม่มีภาระให้มาคิดมากมายเหมือนอย่างพวกคารวาสนะเจ้าค่ ะ, ะ ค, ค่ะคือตรงนี้พุู้ชาติตรัสไว้ชัดเจนเจ้าค่ะว่าศีลเนี่ยเป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจเจ้าค่ะนี่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าคุณไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ขโมยของพวกนี้นะเอาเรื่องง่ายๆเบสิกพื้นฐานพื้นฐานอย่างเงี้ยเจ้าค่ ะ, อ, ะอย่างเช่นว่าไม่ดื่มเหล้ามาเบียร์เราก็เราไม่ดื่มเราไม่ต้องไปแสวงหาเราจะมีความสบายใจแต่คนที่ดื่มเนี่ย เศร้าอยู่ไหนอันนี้อะไรมันมันจะกังวลใจเจ้าค่ะคือถ้าเราไม่ดื่มคือจบเลยแถมเสียงเงินด้วยนะจ๊ ะ, ะใช่เจ้าค่ะแล้ว ม, มีความเสื่อมเศร้าที่ผู้ดื่มเห็นได้เองนี่ชาบอกเจ้าค่ะเจ้าค่ะเป็นเหตุแห่งโรคเป็นเหตุให้เสียชื่อเสียงอะไรต่างเยงอะแยะเจ้าค่ะซึ่งอย่างน้อยถ้าบางคนอาจจะไม่เคยทําำนะอารมาก็ต้องแนะนําว่าคุณต้องฝืนะนะเป็นเป็นความปกติที่ดีนะเป็นของดีเราควรทําของดีเราควรทําอาจจะฝืนบ้างอะไรบ้าง มันไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องโตนะคือคบางทีคนเราเกิดมาตั้งแต่สมัยเด็กๆอย่างเงี้ยจนอายุคุณสิบห้าสิบกเจอเพื่อนชั่วชวนไปกินเหล้าดูบริยังี้นะอย่างถ้าคุณก็ยังเป็นคนมีสีไม่ต้องสิบกว่าปีนะค่ะคือไม่ใช่ว่าเราไม่เคยมีไม่เคยทํามาก่อนแนละ้วเราเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กๆอย่างเงี้ยอย่างเราหน้อยเราก็เคยยังปฏิบัติโดยถึงแม้เราอาจจะไม่รู้ตัวใช่ไหมเราก็ยังหวนระลึกถึงวันนั้นที่เรายังเคยทําได้ค่ ะ, คะ ม, มันทําได้เพียงแต่ว่าถ้าบางทีเราถูกเพื่อนชั่วดึงไป เราถูกสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีขัดขวางอยู่อย่างเงี้ยเราเราก็ควรจะต้องฝืนตัวเองรีออกจากนั้นมาเจ้า ค, ค่ะนะสิ่งแวดล้อมที่เราจัดไว้ให้ตามที่วัดหรือว่าในสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่อย่างน้อยอยู่ในศีลเจ้า ค, ค่ะอยู่ในศีลแน่ละ่ะจะมีการที่บางคนอาจจะคิดไม่ดีแต่อย่างน้อยเขาอยู่คคอยู่ในศีลตาก็ยังดีนะกายเขาก็ยังไม่ผิดศีลเจ้า ค, ค่ะในเรื่องของศีลที่เราต้องปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ย อก็คือแค่ช่วงที่อยู่ที่ในการปฏิบัติของเราแตนะถ้าคุณกลับบ้านมาแล้วนะคุณจะปฏิบัติตามศีลห้าไม่ศีลห้าหรือว่าศีลแปบดบไม่ศีลแปดก็เรื่องของคุณเลยเต็มที่เลยเจ้าค่ะแต่อยู่ในวัดในศูนย์ปฏิบัติธรรมอย่างนี้เราก็ควรจะก็รบสถานที่ด้วยการปฏิบัตินะด้วยการปฏิบัติตามธรรมอนี้ถึงจะถูกต้องเจ้าค่ะในเรื่องถัดมานอกจากเรื่องของศีล น, นี่ก็คือเรื่องของสมาธิพระเจ้าบางทีใช้คําว่าอาัตถจิตคือจิตอันยิ่งเจ้าค่ะคือในเรื่องของจิตนั่นแหละจิตก็็จะบ่งเปนนสว นั่นคือ ส, ส่วนที่เป็นจิตกับ ส, ส่วนที่เป็นปัญญาขอัยส่วนที่เป็นสมถะกับส่วนที่เป็นปัญญาจุกค่ะสมถะนี่ก็เป็นไปเพื่อให้จิตนั้นมีกําลัางปัญญานี่ก็เป็นไปเพื่อให้จิตนั้นสามารถตัดกิเลสได้จุกค่ะมีกําลังแล้วคุณถึงจะตัดกิเลสได้แต่มันก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจุกค่ะทีนี้ในเรื่องของกายวาจาคือจิตใช่ไหมเรื่องของกายวาจาคือศีลนั้นในเรื่องของจิตก็คือสมถะและกับวิปัสสนาซึ่งในตามที่ทั่วไป รวมถึงที่วัดป่าในโศกเราด้วยเนี่ยก็จะมีการสอนทั้งสมถะแล้วก็วิปัสนาโดยว่าสมถะนี่ก็คือฝึกยังไงให้จิตมีกําลังมีปัสสนาก็ฝึกให้จิตเห็นตามที่เป็นจริงโดยเราจะฝึกในเรื่องของการเห็นตามให้จิตมีสมาธิเนี่ยอยู่ในช่วง 2- อสาวันแรก <Okay. S 2> ของการปฏิบัติซึ่งซึ่งทุกที่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะ <Okay. S 2> จะใช้ช่วงวันวันแรกเนี่ยอาจจะสองวันบ้างห้าวันบ้างในการที่จะปรับตัวของผู้ที่อาจจะยังไม่เคยเลยต้องมีการปรับตัว คนแบบว่าอาจจะแบบปลุงตวงนางซ้ายขวาหน้าหลังมาแล้วเนี่ยพอเจอนิ่งตึมเลยเยมันทําไม่ได้ก็ต้องมีเวลาปรับตัวให้เขาจุกค่ะซึ่งในช่วงปรับตัวนี้ก็คือใช้สมถะนในการทําจิตให้เป็นกําลังโดยการที่คุณปล่อยหมดเลยวางพวกนิวรณ์นิวรณ์คือเครื่อง ก, ากลางกั้นของจิตจุกค่ะอ่ะถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนอย่างกับอ่าเรามาถึงวัดใหม่ๆสายยางเราซื้อมาใหม่ๆหมอ้าวมันมีรูรั่วรูรว่าตามสายยางน ะ, ะน้ำที่ปลายสายเนี่ยมันก็จะไม่แรง เอาทำไงซื้อมาใหม่ๆเลยแหมอุดอุดมันซะปะปะหามาปะเอาใส่ยางพันบ้างอะไรพันให้มันให้มันไม่รั่วพันไม่รั่วเสร็จแล้วน้ที่ปลายสายนี่ก็จะแรงขึ้นมาเช่นเดียวกับจิตของเราแตว่าบางทีมาถึงปุ๊บใหม่ๆเนี่ยโอ้ยคิดนั่นคิดนี่คิดโน่นแล้วคิดโน้นอีกมันมันมันก็จะวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายนั่นคือนิวรณ์เป็นเครื่องที่ทางการกั้นปัญญาซึ่งตรงนี้จะเป็นความท้าทายกับผู้ปฏิบัติมากคุณเดินใจคือบางคนเนี่ย คิดว่ามาถึงปุ๊บจะสงบเลยอืมันไม่ใช่เหมือนแบบเปิดสวิตช์ไฟ <Okay. S 2> อ่าคือถ้าคนทําอย่างนั้นได้ก็จะมีความชํานาญระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันก็ต้องมีความแม้ถึงแม้เปิดสวิต ช, ช์ไฟเนี่ยนะสมัยก่อนมันก็ยังต้องมีหลอดไฟแบบที่รอให้ค่อยๆสว่างอื okay. มันก็จะไม่สว่างปั๊บเลย <Okay. S 2> นะซึ่งเราก็จะต้องคอยให้จิตเนี่ยค่อยๆปรับตัวด้วย <Okay. S 2> นะโดยการฝึกฝึกไปฝึกฝึกไปซึ่งถ้าคนไม่เห็นคุณค่าตรงนี้หรือว่าตรียมการมาตรงนี้ไม่ ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนี่นะเขาก็จะหนีไปก่อน อ, อืเจก็จะอยู่ไม่ปฏิบัติไม่เต็มก็จะไม่ได้โอกาสเสียโอกาสไปอย่างเต็มที่เจ้าค่ะซึ่งในเรื่องของการทําสมถะตรงนี้เนี่ยมีอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่มีความเห็นว่าไม่มีความจําเป็นอืแต่เพรา ะ, ะว่าเอ้ยทําไมจะต้องมาทําจิตสงบด้วยก็เห็นตามที่เป็นจริงไปเลยได้ไหมหอย่างเงี้ยเจ้าค่ะซึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่ามีความจําเป็นตรงที่ว่าถ้าคุณต้องการจะเห็นตามที่เป็นจริงคือเป้าหมายสุดท้ายของเราเนี่ยนะคือการปล่อยวางได้การที่เราจะเห็นตามที่เป็นจริง ถึงเราจะเห็นตามที่เป็นจริงได้คุณจิตต้องมีกําลังนะคือไม่ใช่ขี้หมูขี้หมาอะไรคุณก็เห็นไ ด, ดค้คุณจะต้องล้างให้สะอาดก่อนซึ่งการล้างทาความสะอาดตรงเนี้คือการเหมือนกับทำสมาธิจุกค่ ะ, ะซึ่งการทํำสมาธิตรงนี้เราก็บางที่ก็จะใช้หลักการปฏิบัติไม่เหมือนกันอก็จะพูดถึงลมหายใ่ก็มีรบหน็อตพุ่งนอก็มีอนาปนัสติบ้างเขาก็มีอะไรกันเนยอะสมาอาหังจุกค่ ะ, ะหรือว่ารูปนาม หรือว่าพุโทโธเนีย่ยมีทั้งนั้นสิ่งที่เราต้องการเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบกับพ่อครัวที่เขาทําอาหารนะนะทุกค่ะทำแม่บ้านคุไหนทําอาหารเป็นก็คงจะทราบแม่บ้านอาหารทุ่งก็มีสมัยนี้คือถึงแม้คุณจะทําอาหารไม่เป็นก็ตามแต่คุณก็ต้องรู้ว่าจุดประสงค์ของคนที่ทําอาหารเนี่ยคือคือไม่ใช่สักแค่ว่าเขาเอาในมาปรุงปุงมันก็จะออกมาอร่อยแต่มันเขาจะต้องเป็นผู้ที่ฉลาดในเรื่องของเครื่องปรุงในส่วนประกอบของอาหาร เพื่อที่ออกมาอะไรเพื่อให้อาหารอร่อยจุดประสงค์ที่เราต้องการนะัคืออาหารอร่อยให้คนรับประทานนะใช่ค่ะอ่าือคือพ่พพพอครัวที่เขาบำรุงเลี้ยงพระราชาหรือว่าทําอาหารขายนี่น ะ, ะจุดประสงค์ที่เขาต้องการคือให้อาหารอร่อ ย, ยเพราะฉะนั้นเขาปรุงยังไงก็เน่ยนะนะให้อาหารอร่อยเช่นเดียวกันจิตของเราเนี่ยจิตของเราต้องต้องการคือต้องการให้สงบเพะงั้นคุณเอาวิธีไหนก็ได้นะการยเบญนาจิตธรรมอยู่ในสีวิธีนี้หรือคุณจะเอาวิธีมรณะสติ อันนับนาสติอันุสติสิเอาวิธีไหนก็ได้ในะที่ทําให้จิตของเราสงบในะเราต้องการแค่นี้เองเจ้าค่ ะ, ะเพื่อที่จิตของเราสงบแล้วนะเราก็จะสามารถที่จะเห็นตามที้เป็นจริงได้คือบางคนเนี่ยไม่ฉลาดในเรื่องคอเครื่องปรุงในะถ้าเป็นถ้าเป็นพ่อครัวคือถ้าคนทําอาหารเป็นเยจะพบว่าถ้าคุณเอาไอ้โจ๊กอย่างนี้นะคุณจะใส่น้ําปลาในโจ๊กเนี่ยมันกินยังไงไม่อร่อยเจ้าค่ะต้องใส่ซีอิ๊วต้องใส่ซีอิ๊วขาวเจ้าค่ะเกลือก็ยังไม่อร่อย อเอาแค่ค ว, ความเค็มเนี่ยมันยังมี้งสารสแหละสี่ห้ารสมันมีมากกว่านี้นะหวานเหรอหวานน้าตาลปี๊บน้ําตาลเปิร์กหวานน้ำอะไรอะน้ำตาลทร า, า ย, ายอะไรต่างจะไม่เหมือนกันเจ้ค่ะซึ่งมันก็ต้องใช้รสชาติต่างๆกันไปเจ้ค่ะอาหารแบบเดียวกันคนทำหนึ่งเป็นรสชาติยุโรปอาหารแบบเดียวกันคนทําอีกอันหนึ่งพิซซ่าอย่างเงี้ยถ้าคนเอาคนไทยมาทํากลายเป็นพิซซ่ารสชาติไทยคนฝรั่งมาทํากลายเป็นพิซซ่ารสชาติฝรั่งคซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันละ มันอยู่ที่ว่าคนกินชอบอันไหนคือมันอยู่ที่ว่าจิตเราเนี่ยต้องสงบปฏิบัติไปจิตเราต้องสงบซึ่งจิตจะสงบได้เราก็จะต้องอรู้จักใช้เครื่องปรุงนะรู้จักการที่จะสังเกตจิตของเราจุคาตรงนี้ทําให้บางคนเนี่ยพอตัวเองไม่ฉลาดไม่ฉลาดในการสังเกตสภาวะของจิตเนี่ยนะเขาจะถอถอยจุคาท้ถอถอยแล้วก็ไม่เอาละพอเลิกครนะาต่อไปไม่มาอีกคุณจะเสียโอกาสทันทีจุค่าจะเสียโอกาสมากจุค่ะา ถัดไปในหะลังจากเรื่องของการที่ทําจิตให้เป็นสมาธิแล้วเนี่ยก็จะมีการวิปัสสนาในวิปัสสนาหลายๆที่ก็จะสอนถึงการเห็นตามที่เป็นจริงในเห็นตามที่เป็นจริงในเรื่องของการไม่เที่ยงอย่างเงี้ย ค, ความที่เป็นจริงเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเรื่องความที่เป็นจริงตามลักษณะทางกายภาพะนะคือบางคลไปคิดว่าสีจริงมันคืออะไรหรือว่าสมมุติเราเห็นสีแดงอย่างเงี้ยหรือสีเขียวอย่างเงี้ย สีเขียวบางทีโผล่มาจากน่าจะคอมพิวเตอร์เนี่ยจะไม่สีไม่เหมือนกับของจริง <Okay. S 2> ใช่ไหมเพราะว่ามีความบิดเพีย้ยวทางด้านของการแสดงภาพก็มี <Okay. S 2> ก็เป็นความจริงตรงนั้นซึ่งซึ่งไม่ใช่ที่พุทธเจ้าสอน <Okay. S 2> ที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยจะเห็นความที่เป็นจริงตามสภาวะธรรมแต่สภาวะธรรมในที่นี้ก็คือว่าคุณสมบัติของเขาเห็นตามที่เป็นจริงในคุณสมบัติของสิ่งนี้นะเช่นสมมติว่าเราบอกว่าโต๊ะอย่างเงี้ยโต๊ะนี้นะทาจากไม้ ไม้ประเพทอะไรโ อ, อ้ไม้สักไม้สักนี่ตัวชงเป็นไงออกเป็นทรงโรมันนะแล้วก็ทำเมื่อไหร่ขนาดก้านเท่าไหร่นี่คือคุณสมบัติของโตตัวนี้ อ, อืแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งด้วยโตตัวนี้มันไม่เที่ยงนะ ม, มันเป็นอนัตตาอืซึ่งอนัตตาตรงเนี้ยเป็นคุณสมบัติของสิ่งของรวมถึงทุกๆสิ่งเลยอสมมุติถึงเราพูด ถ, ถึงดอกไม้อย่างเงี้ยนะดอกไม้ตัวนี้พันอะไรสีอะไรคุณสมบัติของเา้าน้ําหนักเท่าไหร่อยู่ได้นานไหม มีความชืช้นสัมผัสบริเวณในตัวมันเท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วก็อีกคุณสมบัติของมันอย่างหนึ่งคืออนัตตานะ อ, อนัตตาหนึ่งจึงเป็นคุณสมบัติของสิ่งของขนะที่บ่งบอกถึงความที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้ก็คื อ, คอถ้าเราจะพูดถึงความเป็นอนัตตาขอนอกเรื่องนิดหนึ่งตรงนี้นะว่านิมนต์สมมุติเราพูดถึงอนัตตาที่เป็นลักษณะของความคุณสมบัติ ข, ของสิ่งของเนี่ยนะมันจะเหมือนกับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะดอกไม้สีอะไรลักษณะนี้เป็นคุณสมบัติของเขา อพวกที่มันจะมีทิฏฐิอยู่สอ ง, งส่วนในี่ตรงข้ามกันอย่างเชัดเจนคือส่วนที่เป็นนัตติตาคือปฏิเสธหมดทุกอย่าง <Okay. S 1> โอ้ยดอกองหองอไม่อะไรไม่มีนี่คือพวกนัตติตาแ <Okay. S 1> ส่วนพวกอัตตานี่โอ๊ยไม่ได้นี่ดอกให้ของฉันของฉันนี่ของฉันเดี๋ยสวยงามอย่างยิง่งฉัน <ๆ S 1> นะตรงข้ามกันสองส่วนคือนัตติตากับอัตตาอ่านัตติตากับอัตติตาเข้าไปสองส่วนนะนัตติตากับอัตติตานัตติตานี่คือปฏิเสธหมดนะอันนี้ไม่ใช่ของฉันอะไรไม่เอาทั้งสิ้นอ่ะปฏิเสธหมด นะคือปฏิเสธโลกปฏิเสธอะไรหมดเลยส่วนพวกอัตติตนี้ก็คือของฉันหมดเลยฉันจะเอาหมดเลยน ะ, ะซึ่งพระเจ้ า, าจึงกําหนดทางเลือกที่3นี้ขึ้นมาคือทางเรื่องของเป็นความเป็นอนัตตาพวกที่เป็นอัตติตนี่ก็จะมีความคิดว่าทุกอย่างเที่ยงเป็นของตัวตนหมดนะมีอยู่ตลอดเวลาดอกไม้นี้ก็จะต้องอยู่ตลอดเวลาดอกไม้นี้เมื่อก่อนมันก็มีอยู่ตลอดเวลา<ท>นะพวกอัตติตนี่คือพวกที่ปฏิเสธหมดนี่นะเขาก็จะปฏิเสธหมดเลย เมื่อก่อนเขไม่มีแต่นี่ก็ไม่เอาฉันก็ไม่สนละอนาคตมันจะไม่อยู่แล้วพวกนี้นะซึ่งเราจะพบว่าอความที่มันจะถูกโต้เถียงได้อย่างพวกนักติตาเนี่ยเขาจะไม่สามารถตอบว่าอาแล้วดอกไม้ตรงนี้ที่นั่งตั้งอยู่ตรงนี้มันคืออะไรเขาจะตอบไม่ได้ว่าก็มันมีดอกไม้อยู่พ้องเขาปฏิเสธหมดไปแล้วนะส่วนพวกที่เป็นอัติตาเนี่ยก็จะอยึดแต่ว่าตรงนี้ของฉันมีอยู่ปัจจุบันพออดีตไม่มีฉันไม่แขกฉันคิดว่ามีหมดอนาคตไม่มีฉันไม่แขกฉันคิว่ามีหมด แต่วความเป็นอนัตตาเนี่ยจึงเป็นทางเลือกที่สามนะสมมติว่าดอกไม้ตัวนี้เมื่อสิบปีที่แล้วมันไม่มีในอีกห้าสิบปีจากนี้มันจะไม่มีเพราะฉะเขายอมรับว่าความมีอยู่ในนมันของปัจจุบันนะเมื่อก่อนมันไม่มีอนาคตไม่มีเพราะฉะนั้นคุณถัดศรัาตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาอืนา อ, อนัตตาคือมีความเปลี่ยนแปลงเสื่อมเสียไปได้เข้าใจเนาะที น, นี้เวลาที่เราเพื่อจะมาเห็นตรงนี้ได้เนี่ย คือพูดในรายการพิธีมันพูดง่ายพูดตามตำราเนาะพูดตามดูเจ้าบอกเนาะแต่ว่าเราพูดแล้วเราจะเห็นตามจริงจริงไหมเออเห็นตามที่เป็นจริงบางคนแค่จำได้แต่เราจะเห็นลึกๆเข้าไปในจิตไหมว่าไอ้ตัวเรานี่ก็เหมือนกันจะเห็นลึกๆเข้าไปในจิตไหมว่าไอ้นิ้งสือสมุดอะไรที่เราใช้อยู่รถยนต์ของเราเนี่ยก็มีคุณสมบัตินี้เหมือนกันอืมจุกค่ะคนจะเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยคุณต้องเปสมาธิมากแต่มากในระดับที่จะเข้าใจในระดับที่คุณจะเข้าใจได้จุกค่ะถึงแม้ไม่จมาที่น้อย นั้นนๆก็เข้าใจระดับน้อยๆถ้าเป็นสมาธิสูงขึ้นก็เข้าใจระดับที่สูงขึ้นสูงขึ้นของข้อไปนั้นถึงจะถูกต้องอซึ่งมันก็จะจบลงตรงที่มีศีลสมาธิปัญญานะรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเช่นว่าอาหารการกินเช่นว่าเรื่องของการปฏิบัตินั่งหรือนั่งเก้าอีนะ้ซึ่งแต่ล ะ, ละที่แต่ละทางก็จะมีความแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อ ย, ยอแล้วก็อย่างเช่นว่าใช้เวลาจํานวนกี่วันนะซึ่งก็บอกตรงนี้ว่า การปฏิบัติเนี่ยมันมันได้ตลอดเวลาค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือที่ไหนก็แล้วแต่แต่ว่าที่เรากำลังพูดถึงตรงนี้เนี่ยคือเราต้องการทำอย่างจริงจงจังๆทำจริงจริงจังๆเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงว่าคุณต้องมาสามเดือนหกเดือนอยู่ที่วัดนะแต่ว่าถ้าจะทำหย่อนแยะวันสองวันนี่ก็อย่ามาเลย คือมันจะเสียเวลาทั้งตัวคนเองแล้วก็รบกวนคนอื่นแต่อย่น้อมก็ต้องให้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นอะไรบ้างออกมาซึ่งหลายๆที่หลายๆทางก็จะจัดที่ห้าวันสิบวันบ้างนะหรือว่าอสองอาทิตย์แต่อย่างน้อยก็ต้องมีเจ็ดวันล่ะห้าวันแล้วแต่ที่แต่ทางอก็ถ้าเราไปเลือกปฏิบัติดูเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันก็จะค่อนข้างที่จะมีทางเลือกอะไรให้มากนะในเมืองไทยโจค่ะก็โดยสรุปแล้วสําหรับการไปปฏิบัติธรรม ที่วัดต่างๆหรือว่าแม้แต่สถานปฏิบัติธรรมนั้นก็คือการที่เราจะน้อมนำนาตัวของเราไปนะคะไปฝึกปฏิบัติให้อยู่ในศีลสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญา<ม>แล้วก็ที่วัดป่าดอนไห่โฉกเองนั้นเนี่ยเท่าที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาท่านคิดว่ายืนยันได้ค่ะว่าถ้าท่านไปที่วัดป่าดอนไห่โฉกแล้วเนี่ยท่านจะเกิดศรัทธาประสาทะ อย่างมากเลยเพราะว่าทางวัดนั้นเนี่ยก็สมกับชื่อวัดป่าดอนไหายโศกนะเจ้าคะเพราะว่าจะเงียบสงบแล้วก็มีเหมือนกับอยู่ในป่าที่สวยงามแล้วก็มีทางที่ทางที่สะดวกแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการปฏิบัติต่างๆนั้นเนี่ยก็มีท่านพระอาจารย์ไพวุฒิภิบุญ โ, โนท่านผู้บรนการหลักสูตรนั้นก็จะควบคุมตลอดเลยโดยมีหลวงพ่อดรสะอาดทิโทภาโซท่านก็จะคอย ตามดูตามมาอยู่กับหลักสูตรตลอดเวลานะคะรวมทั้งพระสงฆ์องค์อื่นๆของทางวัดนี่ก็จะมาร่วมรับฟังแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าเป็นคนช่วยปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะพี่เลี้ยงเนี่ยเจ้าค่ะก็ยังมาช่วยคือนั่งปฏิบัติธรรมหรือว่านั่งสมาธิกับบรรดาผู้เข้าปฏิบัติธรรมด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่โยมสังเกตเห็นจากทางวัดป่าดอนไหโศกนะคะนะเจ้าค่ะว่า น้องๆหลายคนฟังอย่างนี้หรือท่านผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะสนใจไปที่วัดปาดอนไฮโศกแต่เอ๊ะเห็นว่ามีการที่ว่าต้องมีการรื้อเล้นปิด<ม>วาจาอะไรต่างๆเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าแม้มันน่าจะน่าอึดอัด ไ, ไม่ได้พูดเลยอะไรอย่างเงี้ยเ<ม>จ้าค่ะมยมคิดว่าด้วยบรรยากาศแล้วก็ด้วยการปฏิบัติที่ทุกคนตั้งใจปฏิบัติกันจริงๆเนี่ยเราจะเป็น กรมกลืนไปอยู่หนึ่งในนั้นนะเจ้าคะ ừ ừ ừ ừ ได้อย่างมีความสุขมากๆเลยตอนนี้โยมอยากจะขออนุญาตกราบทิมนถามพระอาจารย์พิบูลเจ้าค่ะ ừ ừ ว่าเพราะเหตุไราทางวัดรปราดอนไฮโศกถึงได้ทำเรื่องของการหลีกเล้นก็คือว่าไม่มีการเรียกว่าปิดวาจ า, าเจ้าค่ะ ừ ừ ừ อันนี้ขอพระอาจารย์ช่วยเมตตาชี้แจงนิดนึงเจ้าค่ะพูดถึงเรื่องกฎของการหลีกเลนสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะ ให้มันได้ครบถ้วนกระบวนความคือกฎของการหลีกเร้นเนี่ยจะอยู่ในหมวดของศีลเจ้าี่ความเป็นปกติ <Okay. S 1> นะคือพระอริย์าทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตามที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นําเนี่ยนะพระอริย์เจ้าทั้งหลายทั้งปวงไม่วอดีตนาควปัจจุบันเนี่ยจะจะเป็นผู้ที่ยินดีในการหลีกเร้นยินดีในการหลีกเร้นแล้วยังไงคือยินดีในการหลีกเร้นแล้วเนี่ยจะสามารถกําหนดนิมิตแห่งจิตของตนได้หมายความว่างไงพระบุตรเป็นภาษาไทยก็แปลว่า คุณจะสาเกตสังเกตเห็นจิตของตัวเองมากขึ้นจึงให้ต้องให้หลีกเรนถ้าสมมติเรายังคุยกันอยู่คือการพูดคุยเนี่ยเป็นส่งจิตต่ออยู่แล้ว ค, คุณต้องเห็นสิ่งนั้นได้ยินสิ่งนี้อันี้มันอะไรใรนมิมตเขาทําอะไรมันมีแต่พูดเรื่องคนอื่นเราก็ฉันเป็นอย่างนี้เธอเป็นยังไงมันก็จะเริ่มสื่อสารกันละจิตมันจะส่งออ ก, กตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องพูดนะเงียบอยู่เราจะสามารถกำหนดนิมิตแห่งจิตของตนได้นิวเจ้บอก กระบวนการนี้ไม่แทงจิตของตอนได้ก็คือคุณจะสามารถสังเกตจิตในสมาธิต่างๆออกอ๋อฉันสังเกตลราไม่ใช่อย่างนี้จิตฉันเป็นอย่างนี้ฉันกินมากจิฉันเป็นอย่างนี้ฉันกินน้อยจิตฉันเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะซึ่งถ้าถ้าคุณไม่ได้หยุดพูดเนี่ยนะมันจะไม่เห็นใช่ค่ะแล้วหยุดพูดนี่ก็รวมถึง SMS ์เอ็มเอสด้วยนะเช็ค อ, ช อ, อินเทอร์เน็ตด้วยนะริมถึงอ่านหนังสือเขียนบันทึกอะไรพวกนี้ทั้งหมดโทรศัพท์อะไรก็ไม่ได้เลยใช่นี่<า><า>คืจะเป็นเรื่องที่กฎของการหลีกเล่นใช่ค่ะ คือกฎของการหลีกเร้นเนี่ย ม, ม, มันดีตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำเป็นตัวอย่างทำเป็นตัวอย่างแล้วได้ผลอะไรพระพุทธเจ้าได้ผลก็คือว่าให้เป็นให้จิตเนี่ยมีความสงบอยู่ในใจได้พระพุทธเจ้าพูดถึงเวลาที่เดินไปข้าไหนมองไปข้างหน้าเนี่ย ม, มองไปข้างหลังนี่ไม่เห็นใครเนี่ยเอ้ยมันสบายใจแม้ที่จะถ่ายอุจจารปัสสาวะจะจะอึะจะต่ออกมาก็สบายใจใพระพุทธเจ้าว่าซึ่งซึ่งมันจะเป็นการดี คือแหมเรามาดูครูบาอาจารย์สมัยก่อนคุณเตจัยนั้นไปอยู่ป่านะอยู่คนเดียวนะไฟฉายไม่มีนะไม่ต้องพูดถึงมะขีดหรอกไม่ต้องพูดถึงไฟฉายหรอกไม่ขีดก็ยังไม่มีอือย่างนี้นะอยู่คนเดียวมืดๆอย่างเงี้ยไปไหนก็สบายใจเป็นรูปเดียวนั้นหลีกเล้นจริงๆเนื้อไปอยู่ข้ัตป่าบ้างอะไรบ้างเอไปบินถบายมากินเน้รูปเดียวสองรูปอย่างเงี้ยแหมถ้าเป็นได้รดับนั้นก็จะดีมากนี่คือระดับครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้มันหายากที่ว่าจะไปอยู่ป่าไป เดินทุดดงอะไรอย่างนี้นะซึ่งซึ่งมันยากเราก็เลยจัดให้เป็นระบบขึ้นตรงนี้มาคือสร้างบรรยากาศการหลีกเลงขึ้นมาแต่ซึ่งคิดว่าทุกคนสามารถทําได้อยู่แล้วแหะถ้าปฏิบัติตามกฎเจค่ะก็คือไม่ได้ยากเกินอะไรเลยไ่าเพียงแต่พระอาจารย์ก็จะบอกว่าให้เหมือนกับอยู่ตัวคนเดียวในโลกแล้วก็พยายามสังเกตตัวเราคือมีสติอยู่กับทุกอย่างที่เราทําอยู่ตลอดเวลานะเจ้าค่ะตลอดระยะเวลา ห้าวันหกวันก็ไม่ต้องไปสังสรรค์อะไรกับใครใและที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือที่วัดป่าดอนไหโศกนั้นก็จะมีพระธรรมคำสอนติดตามต้นไม้ต้นอะไรต่างๆรวมทั้งคำประกาศด้วยที่จะให้เราเนี่ย ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจริงๆไม่ต้องส่งภาษากายมองตาหรืออะไรกันทั้งสิ้นนะเจ้าคะก็เรียกว่าทําแบบประสงค์เลยก็คือมีความสํารวม อ, อยู่ตลอดเวลาอันนั้นเนี่ยถ้าหากว่าถ้ามูฟังทางบ้านหรือว่าน้องๆที่เป็นเยาวชนได้ลองไปปฏิบัติธรรมในหลักสูตรการเรีกเร้นปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธวจนะที่วัดป่าดอนไหโุกแล้วแล้วก็ดิฉันเชื่อ ม, มั่นว่าสิ่งที่ท่านได้กลับมานั้นเนี่ย จะส่งคุณค่าอย่างยิ่งแล้วโดยมากผู้ที่ไปปฏิบัติที่วัดป่าดอนไฮโศกนั้นเนี่ยก็เท่าที่ยมสังเกตนะเจ้าค่ะจำไม่เคยไปครั้งเดียวแล้วเลือกไปเลยจะกลับไปทั้งนั้นอยากจะกลับไปอีกรู้สึกว่าอยากจะได้รับความสงบอย่างนั้นอีกเจ้าค่ะจนจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยเราจะต้องจัดหลักสูตรสําหรับคนเก่าโดยเฉพาะอเจอซึ่งจะมีเดือนในสิงในเดือนสิงหาเพราะว่าคนเก่าเนี่ยเริ่มมากเจ้าค่ะถ้าเราไปสอนเหมือนเดิมก็จะ ก็จะเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็เลยจะมีแยกมาเฉพาะสําหรับคนเก่าผู้เลุดเลนที่ที่เคยมาหลายรอบแล้วมาเดินถึงหาเจาค่ะมีประเด็นเพิ่มตรงตรงนี้อีกนิดหนึ่งก่อนที่จมูกเวลาค่ะซึ่งหลายๆท่านเพื่อนมาได้รับการถามคําถามนี้อยู่ไม่บ่อยหรอกแต่ว่ามีบ้างในเรื่องของผีกลัวผียังไงถามว่ามีผีไหมอยู่คนเดียวกลัวผีนอนกับเพื่อนได้ไหมนะเจ้าค่ะซึ่งซึ่งผีเพออะไรนี่นะ มีมีคนบุคคลผู้หนึ่งเขามาเล่าให้อาตอมาฟังคอง้โที่มาหลีกในปฏิบัตินี้แนหะอายุจ็ดสิบกว่าแล้วเจ็ดสิบสี่แนะมั้งเจ็ดสิบสี่เป็นเป็นเป็นผู้ชายาาเขาก็มาเล่าให้อาตอมาฟังบอกว่าเนี่ยท่านอาจารย์ผมมาปฏิบัติเนี่นะผมกุ๊กกลัวกลัวผีผมก็ทนทนมาเขาทนมาผมก็ม า, <laughs> ามาเสร็จปุ๊บผมก็ไปอยู่ที่เขตพักที่ผู้ชายมันเป็นแบบกุฏิพญานะเป็นญาแฝกญาแพกอะไรเนี่ยนะ สเสร็จปุ๊บเขาก็้ยกลัวผีเขาก็มานั่งสภาธิพิจารณาเอ๊ะเราแก่เจ็ดสิบกว่านี้จะเป็นผีเองแล้วนะแล้วเราจะมากลัวผีอะไรเขาก็เลยเลิกกลัวผีเลย <c oughs> อ๋อจ้าศัตรูผีไม่มีนะอ๋อจ้าิวิทยาไม่ต้องกลัวไม่ต้องก <c oughs> ลัวจ้าแลยิ่งมีการปฏิบัติทำกันอย่างเคร่งครัดอย่างนั้นก็ยิ่งเป็นเาเรียกว่าเป็น สถานที่ของบุญนะเจ้าค่ะมีแต่สิ่งที่ดีๆเทวดาเทพเทวดาทั้งหลายเจ้าค่ะผีมาอย่างมากก็จะมาขอส่วนบุญเท่านั้นเองให้ไปล้วเขาเข้าไปนะครับเพราะว่าพระอาจารย์ก็สอนให้แผ่เมตตาให้ตัวเองแล้วก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกคืนอยู่แล้วนะเจ้าค่ะในในการปฏิบัติตอนค่ำเราเหลือเวลาอีกประมาณสักหนึ่งนาทีกว่าเจ้าค่ะ ข อ, อนิมนต์พระอาจารย์ไพบุญได้พูดฝากท้ายในรายการเช้าวันนี้เลยเจ้าค่ะเกี่ยวกับการปฏิบัติบูชาเจ้าค่ะ น, นิมนต<น>์เจ้าค่ะในเรื่องของความที่อย่าประมาทเจ้าคนะบางคนจะไปประมาทบเมาไปที่อื่นที่นั่นที่นี่นะเราอย่าประมาทให้มาหาในจิตของตัวเองเ้าคนะไปงานปฏิบัติบูชาด้วยทั้งพ่อแม่ทั้งพระพุทธเจ้าทั้งผู้มีบุญคุลทั้งหลายเราปฏิบัติเราส่งบุญให้คนอื่นเนี่ยได้ผลมากจริงๆเจ้าค่ะนะให้มาปฏิบัติก็แล้วกันเจ้าค่ะอย่ไหนก็ได้เจ้าค่ะ แล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือทำให้จิตใจเราสงบสุขแล้วก็มีจิตใจที่ละเอียดขึ้น<ช>สูง ข, ขึ้นด้วยนะเจ้าคะ<ช>ไม่ไหลไปนในทางต่ำด้วย อ, อันนั้นก็คือสิ่งที่ดีงามที่เราเชิญชวนท่านผู้ฟังและพี่น้องอที่มีลูกหลานเยาวชนทั้งหลายนะคะได้ไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเข้าร่วมหลักสูตรการปฏิบัติปริกเกณฑธรรมตามวัดต่างๆนะคะ ก็จะเป็นกุศลผลบุญอย่างดียิ่งแก่ตัวน้องๆเองเป็นอย่างยิ่งค่ะสําหรับในเช้าวันนี้รายการธรรมรัตบนบ์ก็เห็นจะต้องถึงเวลาที่จะต้องกราบอําลาจากท่านผู้ฟังแล้วนะค ะ, ะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านได้มาน้อมใจกันกราบนมัสการขอพระคุณพระอาจารย์ไพบูรยอภิปุโนค่ะท่านพระอาจารย์ผู้มุ่งในการหลักสูตรตรีเกรนปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธวจนะของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตาบลดอนหายโศก อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภาโสท่านเป็นเจ้าอาวาสกันนะคะขอกราบขอพระคุณและกรา บ, าบนมัส ก, การลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะ